สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนกักทหรคนชอบเล่าผมอยากจะเล่าเรื่องปีศาจแห่งญี่ปุ่นบ้างนะครับตามคำแนะนำของท่านสมาชิกเห็นว่าอยากฟังก็เลยไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับนานกว่า700ปีล่วงมาแล้วได้มีการสู้รบระหว่าง2ตระกูลคือตระกูลไทระเฮเกะและตระกูลมินาม โ, มโตะเกนจิ ji, ที่ตาบลดันโนะอุระ ในช่องแคบชิโมโนเซกิการต่อสู้ของสองตระกูลนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนานมากบรรดาสมาชิกในตระกูลไทระรวมทั้งเจ้าชายองค์น้อยพวกผู้หญิงและเด็กๆต้องเสียชีวิตจากการสู้รบครั้งสุดท้ายนี้จนหมดสิน้นท้องทะเลชายหาดแถบนั้นมีวิ ญ, ญญาณสิงสถิตยอยู่ถึง700ปีมีปูทะเลพันหนึ่งก็ละลองเป็นรูปหน้าคนมีถิ่นอาศัยอยู่ตามชายหาดซึ่งเคยเป็นที่สู้รบแห่งนี้ กล่าวกันว่าปูเหล่านี้คือดวงวิญญาณของเหล่านักรบที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองจึงเรียกกันว่าเฮเกะงานนี้หรือป uh ูเฮเกะยังมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นตามชายฝั่งอีกหลายอย่างเช่นในเวลากลางคืนที่มืดสนิทจะปรากฏแสงไฟลุกเรืองเป็นดวงๆรอบชายหาดหรือบนผิวน้ำซึ่งคนหาปลาเรียกว่าโอนิบิแปลว่าไฟปีศาจเมื่อใดที่พายุก่อตัวขึ้น ก็จะได้ยินเสียงตะโกนอื้ออึงและเสียงสู้รบกันชุลมุนวุ่นวายดังมาจากทะเลใหญ่สมัยก่อนดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากตระกูลไทระนั้นมักจะแผงลงฤทธิ์หลอกหลอนสยองขวัญบ่อ ย, อยเมื่อมีเรือแล่นผ่านบริเวณ น, นี้ในเวลากลางคืนผีก็จะพากันมาจมเรือแล้วก็ดนนึงคนให้ไปจมน้ำตายกันเสมอเสมอจึงมีการปัดดังควานด้วยการสร้างวัดอมิตาขึ้นที่ตาบลอมงะเซกิ ใกล้ชายหาดและบริเวณวัดแห่งนี้มีสุสานที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดปักแท่งหินสราจาลึกชื่อผู้เสียชีวิตและพระนามของเจ้าชายองค์น้อยที่จมน้ำสิ้นประชนกันไปมีการนิมนต์พระมาะสวดแผ่เมตตากุศลให้กับผู้ตายการอารวาดของผีร้ายจึงค่อยๆน้อยลงไปแต่ก็ไม่สงบสถทีเดียวแสดงว่าวิญญาณ น, นั้นยังหาความสุขสงบไม่ได้นั่นเองหลายศตวรรษมาแล้วมีชายตาบอดคนหนึ่งชื่อ ฮูอิจิอาศัยอยู่ในตำบลอมังะเซกิเขามีชื่อเสียงด้านดีดพินและท่องสโลกได้ไพเราะยิ่งนักเขาดีดพินและท่องสโลกเก่งมาตั้งแต่ในวัยเยาวโดยเฉพาะสโลกบทที่กล่าวถึงประวัติการสู้รบระหว่างสงตะกูลนนี้คนที่ได้ยินต่างร่ำาลือกันไปต่างๆนานาว่าแม้ผีร้ายหากไม่ได้ยินเขาร่ายสโลกบทนี้ก็อาจจะต้องน้ำตาไหลไปด้วยฮูอิจิมีชีวิตอยู่อย่างยาจกคนหนึ่งแต่โชคของเขาดี ที่เขามีผู้อุปการะซึ่งก็คือพระที่วัดอมิตานนั่นเองผู้รักบทกวีและดนตรีเช่นเดียวกับเขาพระเห็นว่าชายหนุ่มตาบอดมีความสามารถอย่างยิ่งจึงออกปากอนุญาตให้พักอยู่ในวัดได้โดยให้ห้องส่วนตัวหนึ่งห้องพร้อมอาหารชายหนุ่มตกลงทันทีด้วยความยินดีและซาบซึ้งในบุญคุณเขาเพียงแต่ตอบแทนท่านด้วยเสียงดนตรีที่ไพเราะจากพินบีวะในยามเย็ยนที่ท่านไม่มีกิจธุระเท่านั้น ค่ำคืนหนึ่งในฤดูร้อนเหล่าพระรับนิมนต์ไปสวดที่บ้านข้าหบดีท่านหนึ่งจึงออกจากบัดไปพร้อมกับลูกศิษย์ทั้งหมดทิ้งโฮอิจิให้อยู่เฝ้าวัดตามลําพังคืนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวฉายตาบอดออกไปนั่งรับลมเย็นที่ระเบียงนอกห้องนอนระเบียงนี้อยู่เหนือสวนดอกไม้หลังวัดเขานั่งรอให้พระกับลูกศิษย์กลับมาโดยหยิบพินขึ้นบดีดข้ามเวลารอจนเลยเวลาเที่ยงคืนพระก็ยังไม่กลับกันมา อากาศร้อนมากจนเขาไม่อยากจะกลับเข้าห้องโฮอิจิจึงนั่งอยู่เช่นนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากประตูหลังวัดใครคนหนึ่งกำลังเดินทางมาทางสวนหยุดที่นอกระเบียมแต่ไม่ใช่พระแน่ๆแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นโฮอิจิโฮอิจิจเสียงเรียกชื่อเขาตะวาดห้วนราวกับว่าสมุไรเรียกเบาชายตาบอดตกใจไม่กล้าขานรับจนเสียงนั้นเรียกขึ้นมาอีกอย่างคาดขัน หูอ oh, ีจิครับครับผมตาบอดครับไม่ทราบว่าเป็นเสียงของใครเรียกขอรับเขาตอบด้วยความบาดกลัวด้วยประกลวน้ําเสียงที่เรียกอย่างคุกคามเสียงแปลกๆหูผู้ต่อไปอย่างนุ่มนวลขึ้นว่าไม่ต้องกลัวข้ามาที่วัดนี้เพื่อส่งข่าวนายของข้าเป็นผู้สูงศักดิ์มากเวลานี้พักอยู่ในเมืองนี้และได้ยินกิติศัพท์ว่าเจ้าท่องประวัติการสู้รบได้เก่งมาก จึงอยากจะฟังขอให้เจ้าหยิบพินและเดินตามข้ามาไปยังบ้านพักของนายข้าเดี๋ยวนี้สมัยนั้นคําสั่งของสมุไรเป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งหลายมากฮูอิจิจึงรีบสวมรองเท้าแตะและคว้าพินเดินตามชายแปลกหน้าไปทันทีชายแปลกหน้ายิ่นมือแข็งแต่งดุดเล็กกล้ามาจับมือของชายตาบอดไว้พลางเร่งให้เดินเร็ ว, วขณะที่ก้าวเดินตามอยู่นั้นก็มีเสียงของโลหะกระทบกันแสดงว่า เขาสวมเสือ้อเกราะเต็มยศอยู่เขาอาจจะเป็นทหารองครักษ์ของท่านขุนนางก็ได้ฮูอิจิค่อยๆ ค, คิดตามไปแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายความบาดกลัวกลับคิดว่าตนอาจจะโชคดีเพราะทหารคนนี้พูดถึงเจ้านายผู้สูงศักดิ์ซึ่งฮูอิจิคิดกันเลยว่าคนใหญ่คนโตที่ต้องการจะฟังบทสโลก ข, ของเขานั้นอาจจะมีตำแหน่งถึงใดเมียวก็ได้ผู้ครองนคร อ, อันดับหนึ่งทีเดียวเมื่อซามูไรชะลอฝีเท้าฮูอิจิก็รู้สึกได้ว่า ได้เดินทางมาถึงประตูทางเข้าขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เขาประหลาดใจมากเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในบริเวณนี้มีประตูใหญ่แห่งอื่นอีกนอกจากประตูวัดที่เขาอาศัยอยู่เปิดประตูเปิดประตูสัม u r a ร้องบอกมีเสียงถอดสลักบานประตูขึ้นชายทั้งสองจึงเดินเข้าไปข้างในผ่านสวนขนาดใหญ่แล้วไปหยุดที่กลางทางเข้าอีกแห่งหนึง่งใครอยู่ข้างในนะ่ะเสียงทหารพูดออกไปข้าพาโฮอิจิมาแล้ว สมุไรร้องบอกด้วยเสียงอันดังเสียงฝีเท้าวิ่งกันชุลมุนเสียงบานประตูบุกระดาษ ช, ชั้นในถูกเลื่อนออกเสียงประตูไม้บานนอกเลื่อนเปิดตามด้วยเสียงของผู้หญิงพูดคุยกันชายตาบอดจับสัมเนียงได้ว่าเป็นสัมเนียงของสตรีผู้ดีแต่ตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนเขายืนสงบสติอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็มีมือมาจูงเขาขึ้นบันไดหินหลายขั้นเสียงใครคนหนึ่งสั่งให้เขาถอดรองเท้าแตะบนบันไดขั้นสุดท้าย มือผู้หญิงจูงเขาเดินขึ้นไปตามพื้นไม้ขัดมันลื่นอ้อมเลี้ยวไปตามมุมที่มีเสาต้นใหญ่ๆ ห, หลายๆต้นจนจำไม่ได้ว่ามีจำนวนเสาเท่าไรผ่านไปบนพื้นปูเสือกว้างใหญ่จนไปถึงกลางห้องกว้างชายตาบอดคิดว่าคงมีคนชุมนุมกันมากมายแน่ในห้องนี้เพราะว่าเขานั้นได้ยินเสียงแพรไหมพลิ้วไหวราวกับเสียงใบไม้ที่ต้องลมในป่ามีเสียงพูดกันเบาๆด้วยภาษาราชสำนักดังอยู่ทั่วไป ชายคนหนึ่งบอกหูอิจิว่าให้ทำตัวตามสบายหมอนรองนั่งวางเตรียมไว้ให้แล้วเขาคุกเข่าลงหยิบพินขึ้นมาเทียบเสียงเสียงของหัวหน้าสาวใช้พูดขึ้นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มท่องสโลกประวัติศาสตร์ของเฮเกะประกอบเสียงพินฮูอิจิรู้ว่าโลกทั้งเรื่องนี้มีความยาวมากต้องใช้เวลาท่องหลายคืนจึงจะจบจึงถามว่าเรื่องนี้มันยาวมากนะครับ ท่องเดียวๆไม่จบแน่ๆกระผมอยากทราบว่าให้เริ่มตอนไหนก่อนดีก็มีเสียงตอบกลับมาบอกว่าตอนที่กล่าวถึงการสู้รบที่ดันโนอุระเพราะเป็นตอนที่เศร้าที่สุดเสียงผู้หญิงคนเดิมนั้นตอบโฮวิจิเริ่มท่องโสลุด้วยเสียงแหลมสูงเป็นเรื่องราวของการต่อสู้รบบนเรือในถ้ำกลางท้องทะเลเขาดีดพินเป็นเสียงเหมือนฝีพายจ้วงน้าเสียงเรือถลาไปตามคลื่นเสียงลูกธนูพุ่งวิดวิว เสียงคนตะโกนกูรร้องเสียงย่ำเท้าอุลมานเสียงดาบฟาดันกระทบหมวกเหล็กและเสือเอ้อเกราะเสียงคนถูกฆ่าตายและถูกโยนศพลงทิ้งทะเลเมื่อใดก็ตามที่เขาพักนิ้วจากสายพินก็จะได้ยินเสียงชื่นชมดังมาจากทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเล่นเก่งเหลือเกินเล่นเก่งเหลือเกินในมนทนของเราไม่มีใครเลยที่จะได้ยินอะไรอย่างนี้หรอกไม่มีใครท่องโลกได้เก่งเท่านี้อีกแล้ว โฮจิได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกมีกำลังใจมากที่จะท่องโลกและดิดพินให้ไพเราะขึ้นอีกคนที่นั่งฟังก็เต็มไปด้วยความพิศวงในที่สุดเขาก็ท่องโลกถึงตอนที่พวกผู้หญิงและเด็กๆจะต้องตายอย่างเวทนาคนที่ไม่มีความผิดก็ต้องเสียชีวิตและนีโนอาเมะทามันดาของเจ้าชายองค์น้อยซึ่งบวชเป็นชีเพื่อหนีศัตรูก็อุ้มพระโอรสกระโดดลงทะเลถึงตอนนี้ ผู้ที่นั่งนิ่งฟังกันอยู่ก็ร้องเสียงสั่นขึ้นมาพร้อมกันด้วยความสมเพศเวทนาตามด้วยเสียงร่าไห้รําพันอย่างหหยหวนจนชายตาบอดนึกไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนก่อให้เกิดความเศร้าโศกได้มากถึงเพียงนั้นเสียงร่าไห้ราพึงําพันยังติดต่อกันไปอีกนานแล้วจึงค่อยๆจางลงเหลือแต่ความเงียบสงับฮูอิจิได้ฟังเสียงของผู้หญิงซึ่งเขามั่นใจว่าเป็นหัวหน้าของสาวใช้พูดขึ้นว่า แม้เราจะได้ยินกิติศัพท์มาแล้วว่าท่านดิดพินได้ไพเราะมากไม่มีใครเทียบเทียมท่านได้เลยในการท่องสโลกแต่ก็เพิ่งจะได้ยินกับหูของตนเองว่ามันเป็นเรื่องจริงท่านได้พิสูจน์ตนเองแล้วในคืนนี้เจ้านายของเราพอใจมากต้องการจะตบรางวัลท่านให้คุ้มค่าแต่เจ้านายต้องการให้ท่านมาแสดงคืนละครั้งเป็นเวลาหราตรีติดต่อกันจากนั้นเจ้านายของเราก็จะกลับไปจากที่นี่เพราะฉะนั้น คืนพรุ่งนี้ท่านต้องมาที่นี่อีกในเวลาเดียวกันนี้จะมีคนไปรับตัวท่านมาเหมือนวันนี้และยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่เจ้านายสั่งให้ข้าบอกท่านคือท่านจะต้องไม่บอกเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังถึงการมาที่นี่ท่านจะต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยตลอดเวลาที่เจ้านายของเรายังอยู่ในเมืองนี้เจ้านายท่านได้ปลอมตัวมาจึงไม่อยากให้ผู้ใดทราบเรื่องเอาละ่ะตอนนี้ขอให้ท่านกลับไปที่วัดได้แล้วโคอิจิก็กล่าวขอบคุณ และมือของสตรีก็จับแขนเขาพาไปส่งที่ทางออกบ่าวคนเดิมรอยอยู่ที่นั่นแล้วและกระจุงเขากลับไปจนถึงระเบียงด้านหลังของวัดจากนั้นก็กล่าวลาและจากไปโฮอิจิกลับมาถึงวัดตอนเกือบรุ่งสางแล้วไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขาหายตัวไปไหนพระซึ่งกลับมาถึงในตอนดึกก็นึกว่าเขาหลับไปแล้วชายตาบอดนอนพักในตอนกลางวันและเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องการประชดภัยอันแปลกประหลาดให้ใครฟังเลย กลางดึกคืนต่อมาสมัยคุณเดิมก็มาหาเขาแล้วก็พาไปยังที่ชุมนุมในบ้านนั้นอีกเขาต้องสลุปอย่างไพเราะจับใจอีกเป็นที่ทราบซึ้งแก่ผู้ฟังเช่นเดียวกับเมื่อราตรีก่อนแต่การที่เขาหายตัวไปจากวัดในคืนที่สองนี้พระสังเกตเห็นได้โดยบังเอิญเมื่อเช้ารุ่งขึ้นอีกวันจึงได้เรียกเขามาถามอัตมาเป็นห่วงโยมนะโยมออกไปคนเดียวค่ำค่ำมืดมืดอย่างนั้นนะ่ะตาก็บอดอันตราย ทำไมไปไหนมาไหนไม่บอกกล่าวอ่ะอัตมาจะได้ให้ลูกศิษย์วัดตามไปด้วยโยมไปไหนมาล่ะพระท่านถามด้วยน้ำเสียงที่เมตตาหลวงพ่อครับผมต้องไปธุระส่วนตัวจัดเวลาอื่นก็ไม่ได้เสียด้วยครับคูอิจิตอบพระรู้สึกประหลาดใจแม้จะไม่โกรธแต่ก็นึกสงสัยอยู่ว่าจะต้องมีเรื่องผิดปกติซะแล้วชายตาบอดอาจจะถูกผีร้ายเข้าสิงหรือถูกผีหลอกลวงไปก็ได้ข้อสงสัยนี้ทาให้พระไม่สักถามอะไรต่อ แต่สั่งลูกศิษย์ให้เฝ้าดูฮุอิจิว่าถ้าเขาออกจากวัดไปตอนดึกอีกทีก็ให้ตามไปดูนะคืนต่อมาพูกลูกศิษย์วัดเห็นชายตาบอดออกไปจากวัดอีกจึงจุดตะเกียงเดินตามไปคืนนั้นมืดมากฝนก็ตกพรำๆกว่าลูกศิษย์วัดจะตามไปถึงถนนชายตาบอดก็หายตัวไปแล้วแสดงว่าเขาเดินเร็วมากถนนก็ขรุขระเดินลําบากไม่น่าเชื่อว่าชายตาบอดอย่างฮุอิจิจะเดินได้เร็วเช่นนั้น ลูกศิษย์วัดรีบเดินไปสอบถามกับชาวบ้านทุกแห่งที่ฮูอิจิเคยแวะคุยด้วยแต่ก็ไม่มีใครเห็นเขาสักคนพวกลูกศิษย์วัดจึงพากระเดินกลับโดยเดินเลียบมาตามหาสไตล์แล้วก็ต้องตกตะลึงเพราะได้ยินเสียงพินดังมาจากบริเวณป่าช้าในป่าช้านั้นมืดสนิทมากแต่ปรากฏมีแสงวับวบแบนแบเหมือนแสงของกระสือเป็นบางครั้งผูกลูกศิษย์วัดชูตะเกียงขึ้นส่องดูเห็นฮูอิจินั่งตากฝนอยู่คนเดียว ข้างหน้าอนุสวรีเหนือสุสานของจักรพรรดิอันโทคุเขากำลังดีดพินและท่องสโลปเรื่องการศึกที่ดันโนอุระและทั้งข้างหน้าข้างหลังและรอบตัวของฮูอิจิชายตาบอดนั้นก็ปรากฏมีแสงเดืองๆของดวงวิญญาณต่างๆเหมือนเปลวเทียนแวบแวมไปมาไม่เคยมีครั้งใดเลยที่คนเป็นเป็นจะได้เห็นไฟผีจำนวนมากขนาดนี้ฮูอิจิสังท่านถูกผีหลอเสียแล้วผูวก้กุลสิทธิวัดจึงร้องบอกเขา ชายตาบอดดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงนี้เพราะเขากําลังตั้งใจดีดพินและท้องโลรกเสียงดังกังวานยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีเป็นทํานองการสู้รบอัญชวนให้ระทึกใจจนพวกลูกศิษย์วัดนั้นจึงช่วยกันตะเบงเสียงใส่หูของเขาหุยจีซังหุยจีซังรีบกลับเข้าวัดกับพวกเราดีกว่าข้ายอมให้พวกเจ้ามากวนใจต่อหน้าที่ประชุมแห่งนี้ไม่ได้นะชายตาบอดพูดตอบมาอย่างไม่พอใจแม้บรรยากาศจะดูน่ากลัวแต่เมื่อลูกศิษย์วัดได้ยินอย่างนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้ ทุกคนแน่ใจว่าชายตาบอดต้องถูกผีหลอกแน่ๆจึงช่วยกันฉุดลากกับตัวกลับวัดไปจนได้พระสั่งให้ลูกศิษย์วัดช่วยกันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าให้ฮูอิจิเพราะเสื้อของเขานั้นเปียกโชกเมื่อกินอาหารจนอิ่มดีแล้วพระก็ขอร้องแถมบังคับให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําตัวลึกลับประหลาดเช่นนี้ฮูอิจิก็อั้มอึ้งอยู่นานแต่ในที่สุดก็รู้ตัวว่าเขาทําให้พระที่ใจดีต้องตกใจและโกรธ จึงยอมเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่สมุไรมาหาเขาเป็นครั้งแรกพระฟังจนจบเรื่องแล้วก็พูดว่าโยมตกอยู่ในอันตรายเสรยจแล้วละ่ะเสียดายนะที่โยมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แตมาฟังตั้งแต่แรกการที่โยมเล่นดนตรีเก่งกลับทําให้ต้องลําบากเดือดร้อนโยมรู้ไม่ว่าโยมไม่ได้ไปบ้านใครที่ไหนเลยแต่โยมไปที่ป่าช้าทุกคืนไปนั่งอยู่ท่ามกลางหลุมศพของพวกเฮ เ, เกะพวกเด็กวัดมันไปเจอโยมนั่งอยู่หน้าหลุมศพของจกักรพรรดิอันโทคุ หเจ้าชายที่เสียประชาชนชีพและทะเลพร้อมกับพระมารดานั้นคืนนี้โยมนั่งตากฝนจนเปียกไปทั้งตัวที่โยมคิดเอเองนั้นเป็นเพียงภาพหลอนผีมาร้องเรียกโยมต่างหากถ้าขืนเชื่อมั่นโยมก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของผีต่อไปถ้ายอมทำตามที่ผีบอกอีกหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ผีก็จะมาฉีกโยมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยทีเดียวถึงอย่างไรผีก็จะมาทำลายโยมจนได้นี่ยแหละคืนนี้ อาตมาอยู่ดูแลโยมไม่ได้ต้องไปสวดที่บ้านแห่งหนึง่งแต่ก่อนที่อาตมาจะไปจะช่วยป้องกันร่างกายของโยมให้พ้นผีละกันจําเป็นจะต้องเขียนพระสูตรไว้บนร่างกายของโยมก่อนตะวันตกดินวันนั้นพระกับลูกศิษย์ก็ช่วยกันเปื้องผ้าออกจากร่างกายของชายตาบอดฮุยอิจิแล้วก็ใช้ผู้กันเขียนปัญญาปรารบิตาหาเลทยสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ลงตามเนื้อตามตัวของฮุยอิจิทั้งบนหน้าอกทั้งแผ่นหลังบนศีรษะแขน ขามือเท้าแม้แต่บนฝ่าเท้าไม่เว้นแม้แต่ส่วนใดบนร่างกายของเขาเลยเมื่อเขียนเสร็จพระก็บอกเขาว่าทันทีที่อาตมาออกไปในคืนนี้โยมจะต้องนั่งอยู่บนระเบียงถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่ออย่าขานรับเป็นอันขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่ากระดุกกระดิกไม่ต้องพรีปากใดๆให้นั่งเฉยเมยเหมือนเขาสมาธิถ้าโยมขืนขยับตัวหรือส่งเสียงแม้แต่แอะเดียว ร่างของโยมจะถูกฉีกทิ้งเป็นชิ้นๆแน่ๆแต่ไม่ต้องกลัวและอย่าคิดที่จะเรียก ใ, ใครๆช่วยเพราะไม่มีใครช่วยโยมได้หรอกถ้าโยมทำตามที่อตมาบอกนี้โดยเคร่งคัดแล้วอันตรายก็จะผ่านพ้นไปโยมจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปพระกับลูกศิษย์จึงออกจากวัดไปในตอนค่ำคืนนั้นครูอิจิก็ออกไปนั่งบริเบียงวัดตามที่พระท่านสั่งไว้นั่งนิ่งเหมือนเข้าสมาธิระวังไม่ให้อายจามหรือหายใจแรง เขานั่งอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงโฮูอิจิได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากถนนผ่านเข้าประตูข้ามสวนมาที่ระเบียงหยุดตรงหน้าเขาพอดีโฮอิจิโฮอิจิเสียงทุ้มๆร้องเรียกชายตาบอดนั่งนิ่งเพิกเฉยพร้อมกับกั้นหายใจเอาไว้เสียงเรียกชื่อของเขาเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สแต่เขาก็ยังนั่งนิ่งเหมือนก้อนหินโฮอิจิโฮอิ จ, จิเอ๊ะไม่ตอบเลยฮะ ใช้ไม่ได้ต้องไปดูซิว่าหมอนั่นหายไปไหนเสียงนั้นบ่ดังขึ้นเสียงย่ำหนักๆเดินมาขึ้นบนเดวียงตุกบตุบตุบตุบปีเท้าเดินย่ำมาทางเขาอย่างจงใจตุบตุบแล้วก็มาหยุดตรงข้างๆตัวเขาจากนั้นก็เงียบไปหลายอึดใจซึ่งในขณะนั้นฮูอิจิเริ่มสั่นเทารู้สึกว่าหัวใจเต้นโครมครามในที่สุดเสียงข้าหาก็พูดขึ้นข้างตัวของเขาว่านี่ไง พินของเขาแต่คนดีดพินไม่รู้หายไปไหนเนี่ยเห็นแต่หูสองข้างมีหน้าอะไรเขาถึงไม่ตอบก็ไม่มีปากจะตอบนี่นะทาทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแต่หูสองข้างถ้าอย่างนั้นข้าก็จะเด็ดหูสองข้างนี้ไปให้เจ้านายดูแลกันจะได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าข้ามาตามตัวของเขาแล้วแต่เจอแค่นี้ขณะเดียวกันนั้นหูอิจีก็รู้สึกว่าหูทั้งสองข้าง ข, างของเขาถูกมือแข็งๆดุดเหล็ก บิดจนหูฉีกหลุดออกไปเจ็บปวดมากแต่ไม่สามารถจะร้องอะไรออกไปได้ได้แต่นั่งนิ่งตัวเกรงแข็งเสียงฝีเท้าย่าออกไปจากระเบียงผ่านเข้าไปในสวนออกไปทางประตูจนถึงถนนแล้วก็เงียบหายไปฮูอิจิใช้ตาบอดรู้สึกว่าของเหลวๆอุ่นๆไหลชุ่มโชคลงมาที่ลำคอทั้งสองข้างของเขาแต่เขาไม่กล้าจะยกมือขึ้นลูบมันเลยและเมื่อพระกลับมาที่วัดตอนรุ่งสาง ท่านรีบเดินไปที่ระเบียงแล้วก็เกือบจะลื่นหกล้มเพราะเท้าได้ไปเหยียบลงบนอะไรบนพื้นที่เหนียวๆอย่างหนึง่งท่านจึงยกตะเกียงส่องดูเห็นเลือดนองอยู่เต็มพื้นจึงอุทานออกมาด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันเนี่ยพระมองเห็นโฮอิจินั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่ที่เดิมเหมือนกําลังเข้าสมาธิเลือดสดๆยังไหลซึมออกมาทางบาดแผลตรงส่วนที่เคยเป็นหูทั้งสองข้างโถเอ้ยโฮอิจินี่มันอะไรกันยมต้องได้รับบาดเจ็บด้วยหรนี่ พระร้องออกมาด้วยความตกใจใชายตาบอดรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ยินเสียงของพระเขาถึงกับร้องไห้หูและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระฟังน้ำตาก็ไหลพรากเมื่อพระฟังเรื่องจนจบแล้วก็พูดว่าน่าสงสารโยมจริงๆนี่เป็นความผิดของอัตมาเองที่เขียนข้อความในประสูตรลงบนร่างกายของโยมทุกส่วนยกเว้นที่ใบหูสองข้างก็เพราะปล่อยให้ลูกศิษย์ช่วยกันเขียนด้วยแล้วก็ไม่ได้ตรวจ ด, ดูอีกทีว่าลูกศิษย์เขียนที่ใบหูของโยมหรือเปล่า เอาเถิดนะทําอะไรไม่ได้เสแล้วช่วยการรักษาบาดแผลของโยมให้หายเร็วเก่อนจะดีกว่าสบายใจได้เลยโยมอันตรายได้ผ่านพ้นโยมไปแล้วคราวนี้โยมไม่ต้องกลัวว่าผีจะมารบกวนอีกแล้วละพระบอกให้สิทธิ์ไปตามหมอมารักษาบาดแผลให้ชายตาบอดและไม่ช้าไม่นานแผลก็หายสนิทเรื่องราวกา ร, รเผชิญภัยของคูอิจิแพร่ไปยังถิน่นไกลทําให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นอีก บรรดาคุณนางพาการไปฟังเขาท่องสโลที่ตนบนำบลอมังะเซกิและให้รางวัลแก่เขามากมายฮูอิจิจึงร่ำรวยขึ้นทั้งยังได้สมญานามใหม่เนื่องจากการที่ได้เผชิญภัยกับผีในคราวนั้นว่านักดีดพินไร้หูและนี่ก็คือหนึ่งในตำนานลึกลับเกี่ยวกับปีศาจแห่งญี่ปุ่นชื่อตำนานว่าปีศาจแห่งดันโนอุระที่ผมได้หามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ ก็หวังว่าคงจะถูกใจคนที่อยากจะฟังนะครับเล่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ